ส, สิความรู้แจ้งอริยสัจคือตัวสัมมาทิฐิที่แท้จริงวงเล็บเปิดสิบสามกุมภาพันสองพันในวงเล็บสองวงเล็บปิดเมื่อก่อนเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นะเห็นเลยว่าท่านมีความสุขมากหลวงปู่ดูลท่านก็มีความสุขมากหลวงปู่เทศท่านก็มีความสุขมากหลวงปู่สิมท่านก็มีความสุขหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะองค์สุดท้ายเลยคือหลวงปู่สุวั์ไปเรียนกับท่านนะโอ้ ท่านนั่งอยู่เฉยๆท่านบอกสุขแท้นอสุขแท้นอเราก็อิจฉาอิดชารู้ว่าอิจฉาท่านก็พูดเรื่อยๆเวลาเจอหน้าสุขแท้นอสุขแท้นอเราก็อิจฉาหนอเมื่อไหร่จะได้อย่างท่านรู้สึกอย่างนี้เราภาวนารู้สึกว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างไม่รู้แจ้งอะไรบางอย่างมันเลยไม่เป็นอย่างท่านแต่อาภาพที่สุดเลยเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรเราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้แจ้งอะไรล้มลุกคลุกคลานนะ ภาวนาไปวันหนึ่งรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาทึงรู้ว่าสิ่งที่ขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัวสัมมาทิฐิที่แท้จริงถ้ารู้แจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เลยรู้ว่าโอ้ครูบาอาจารย์ท่านรู้แจ้งอริยสัจท่านเลยพ้นทุกไปถ้าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจเราก็ไม่พ้นทุก